ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรุธานีแสดงธรรมในวันที่28มีนาคม2556มีชื่อเรื่องว่างูเหลือมอโศกถ้าไม่ปิดไว้ข้างในมแมลง มันมาลบกวนพวกเราขณะที่นั่งภาวนาเพราะมันดูออกไปอยู่ข้างนอกถ้าพอแสงสว่างลำไรลลำไร่พอดีแสงจ้าจริงๆกองภาวนายัางไงแสงมันเข้าตาเ <c oughs> พรหลพ่อหลวงพอ่งพอมป็นคนป่าคนรงนะชอบที่ ม, ม, มืดๆมิดๆเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่พระบางรูปก็ได้ช่วยงาน การงานข้างนอกก็มีอยู่ก็พอให้ทำงานแต่พอฝ่ายทางไงผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าจะมาเป็นผู้นำในการไหว้พระก็ขอให้มีให้พวกท่านทั้งหลายจัดกันเพราะพระในวัดของเรามีต่างเยอะแยะแต่องค์ไหนเป็นพระน้อยพระหนุ่มไม่ได้ ออกไปช่วยการงานแต่ เ, เพียงแต่ขี้เกียจ เ, เฉยเและไม่มาลงมาสาราไม่มีเหตุผลบอกผมนะบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ให้อยู่หนักวัดถ้าเรามาเพื่อการศึกษาเราก็ต้องรู้อันไหนเป็นอันไหนเปลี่ยนมือกันได้อย่างที่หลวงตามหาบัวท่านก่อนที่ท่านจะจุตินิราภาน ท่านบอกว่าลูกศิษย์อาจารย์หมู่พเพื่อนทำแทนมือกันได้ไม่ควรจะถือว่าเรื่องนั้นหนักนี้เบาอันไหนควรไม่ควรอย่างไรควรจะทางานด้วยกันแบ่งเบากันได้นี่ก็เหมือนกันนั่นะในช่วงที่มีการงานเราก็เอาแบ่งไป บางที่ที่ไม่ได้ทำงานไม่ถนัดทางทำงานเราก็มาร่วมการไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่พระนิสิตนักศึกษาเข้ามาศึกษาอันนี้ก็คือหลวงพ่อไม่ได้ถือว่าเป็นของเล็กน้อยคือถือว่าเป็นประเด็นหลักส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะลูกหลานเหล่านี้ต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นมดเป็นหมอ เป็นหมอเป็นผู้นำของชุมชนเพราะนั้นเมื่ออมีโอกาสเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาพวกเราที่เป็นรุ่นเพยควรจะแนะนำสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์หนังสือเล่มไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน มีทำเลขิดพวกเราผู้อยู่เบิ่งในข้างไหนอ่านแล้วมีประโยชน์เราก็ควรจะแนะนำให้พวกน้องๆที่เข้ามาใหม่คนน้องๆเข้ามาใหม่เนี่ยเหมือนกับเดินเข้าป่าตรงพงไัยไปทางไหนจริงจะถูกต้องแต่เราเป็นรุ่นพี่เราก็ควรจะรู้จักทางนี้ทีไรไ ป, ไปทางไหนไปทางไหนที่จะไปจุดทุระอะไรมีกิจทระอะไร ไปทำมาหาเลี้ยงชีพยังไงพวกเรารู้จักทางเราก็ควรแนะนำพวกน้องๆไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เขาหาหนทางเอาเองสเปสะสปะกว่าจะรู้ได้นังสือเล่มไหนที่เกิดประโยชน์นังสือเล่มไหนที่ให้โทษอย่างไรเรารุ่นพี่ก็ต้องแนะนำบอกกล่าวอันนี้คือการอยู่ด้วยกันมีพี่มีน้องจะรุ่นน้องก็เหมือนกัน ต้องไฝในการศึกษามีใช่ว่าเข้ามาแล้วก็มีทิฐิมานะไม่ยอมฟังใครอันนั้นก็ไม่ได้เราเพื่อการศึกษาเราต้องเรียนรู้ต้องพยายามให้เรียนรู้เพราะวิชาในโลกนีมีมากหลากหลายน่เราไม่ใช่ว่าเราจะเก่งกล้าสามารถทุกวิชาอาชีพไม่ใช่บางเสียงบางอย่างเราก็โง่ไม่ใช่โง่งธรรมดาโง่งแสนโง่อีต่างหาก เราก็ต้องดูเขาวิธีการทําทำเขาทําอย่างไรอย่างเช่นพวกเราทําอาหารอย่างเนี้ยแต่ทั้งที่เรากินทุกวันแต่วิธีการทำเขาทำอย่างไงเราไม่รู้แต่เราเห็นอยู่ในจานแต่ไปศึกษาโดยใช่วิธีการทำเขาทำอย่างไงก่อนที่มาถึงจานให้เราได้ทานนี่แหละมันมีวิธีกรรมมากหลากหลายเหมือนกันว่าในสิ่งเหล่านี้ อย่าเราเราอยู่พวกเราท่านหลางหลายไปนะักสถานที่ใดอย่าไปพยองพองตนอวดว่าเฉลียวฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างคนที่อวดชอบอวดว่าเฉลียวฉลาดนั่นแหะคนโง่สมัตโง่ามากหลากหลายทีเดียวเพออราะเหตุไโง่แล้วยังอวดอีกฮว่าตัวเองฉลาดอีกนั่น ว, ว่าโงา่อวดฉลาดแ คนที่ได้ยินมานหน้าหมันไส้พวกประเภทอย่างนี้แต่ตามไม่จริงนะเราเข้ามาเพื่อการศึกษาต้องเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคนี้สมัยนี้ท่านพาปฏิบัติอย่างไรพอ่าบางสิ่งบางอย่างในยุคเก่าสมัยก่อน ท่านก็ดําเนินอีกแบบนึงแต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้คู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นยังไงครูบาอาจารย์จะต้องนําประยุกต์มาใช้แต่ถึงยังไงคนนำธรรมคำําสอนของหลักของพระพุทธศาสนานะั่นแหละนำมาแล้วแต่ผู้นำํำต้องเอาเข้าให้เอาเข้าในหลักเหตุผลเอาเข้าในกาลเทศาบุคคล อันนี้ก็เป็นแนวความคิดเป็นผู้นำอย่างนี้ก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกันนะนะไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็สื่อบือ้อขวางเขาไปหมดมันก็ไม่ได้อีกแต่ถึงยังไงก็ต้องยึดหลักธรรมวินยัยเป็นหลักแล้วจะเดินบริวารเดินไปยังไงในยนุคนี้สมัยนี้สิ่งเหล่านี้มันก็เราก็ต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง มองแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินอย่างไรเหมือนกันวัวจ่าฝูงนะท่านวัวจ่าฝูงที่โง่เห็นเห็นว่าน้าแล้วก็โดดตะลุยลงไปเลยที่น้าที่มันเชี่ยวไหลากากผลในสุดหัวบัวที่ติดตามฝูงที่นายฝูงก็ไม่เป็นไรแต่ลูกน้องบริวารล่มจมจีพายไปหมดเพราะวัวจ่าฝูงไม่รอบขอบ ถ้าบัวจะาฝูงรอบขอบมันก็จะเดินเรียบเลาะดูในตรงไหนที่มันน้ำไม่ไหลแรงน้ำที่ไม่เชี่ยวมันก็พยายามลอยว่ายไปแล้วก็ตามน้ำไปเฉลียงน้ำไปแล้วก็หาที่ขึ้นฝั่งดูฝั่งทางนน้นอีกก็ไม่ไม่ชันอีกมีทางอีกทางลงตรงนี้ก็ไม่ชันอีกมีทางอีกมันก็ต้องรู้จักวิธีบัวฝูงนั่นก็ ตลอดปลอดภัยเพราะจ่าฝูงที่มีความรอบคอบจ่าฝูงที่ฉลาดถ้าจ่าฝูงโง่แล้วก็นั่นละไปที่ไหนก็เหมือนเกาล้าน้ำนะพอกระโดดขึ้นไปไหวไปก็ไปถือทางโน้นทางฟังขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เลย่ายน้ำไปนะั่นล้มจมจีพายแต่กระจูอกระใยเพื่อนฝูงก็ตายไปหมดลูกน้องบริวาร สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเหมือนกันที่เป็นหัวหน้านะไม่ใช่หัวหน้าหลวงพ่อนะหัวหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่ออีกทีหนึง่งตั้งแต่องคุลงตาหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ล่าหลวงปู่ฟันหลวงปู่ต่างๆที่ท่านพาดําเนินพวกเราที่อยู่ใน เ, เครือข่ายของท่านเป็นลูกหลานของท่านเราก็มองครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินอย่างไรพาปฏิบัติอย่างไร เรื่องศีลเรื่องกฎระเบียบอย่างนี้เราก็เมื่อปฏิบัติตามแนวแถวนั้นแล้วสรุปแล้วก็คือคนโบราณเขาว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราเดินตามหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็มั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงพราะเราได้เห็นแนวแถวของพ่อแม่ครูอาจารย์พาดําเนินมานี่แหละหลวงพ่อเองก็ ในลักษณะอย่างนั้นจึงมาแนะนำสั่งสอนพระลูกพระหลานอล้วก็พร้อมกันก็ให้ดูอ่านทำมาเลกิตของท่านท่านเขียนไวน้แนวทางของท่านแต่ใช่ว่าเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนท่านจริงๆพูดอย่างท่านทำอย่างท่านจริงๆถ้าทาได้ก็ดีแต่ทาไม่ได้แล้วก็นิสัยบา ร, รมีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จะไปพูดอย่างการทำอ ย, อย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็ต้องพยายามดูแนวแถวของเราเราจะทําได้หมากน้อยแค่ไหนแต่ถึงยังไงก็ต้องทำํำต้องฝืนที่ท่านว่าฝืนให้สู้กับกิเลสอย่างนี้เราจะไปทําแบบยอ่อๆแยะๆก็ไม่ได้เราต้องฝืนปวดบางคนก็บอกว่าผมนั่งภาวนานแล้วมันปวด เ, เราจะไปพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้ ทำไมก็อเรานั่งอย่างอื่นเรายังปวดเราก็ยังทนไหวแต่พวนั่งภาวนาจะไม่ให้ปวดอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพระาะธาตุขันร่างกายมันก็มันมีอยู่แล้วแต่เราต้องฝืนเพื่อ น, นั่งภาวนาเพื่อต้องการสิ่งที่มันดีกว่าเหนือกว่าให้เรียนรู้ในเรื่องที่การปฏิบัติบวชนั่งภาวนาเนี่ย เวลานั่งเข้าไปเวทนามันก็ต้องเกิดถ้านั่งนานอันนี้เวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปวดก็สักว่าปวดร่างกายแทย้ๆก็ยังไม่ใช่ร่างกายของเรานะใจนะนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาเวทนาแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเออออกจากความรู้ แยกเวทนาออกจากความรู้สึกแยกความรู้สึกออกจากเวทนาะแยกความรู้สึกออกจากกายนะแยกออกจากกายออกจากความรู้สึกความรู้สึกตรงนั้นก็คืออะไร ค, คือใจความรู้สึกนึกคิดคือใจเราก็พยายามออกดูออกไปเวลามันเจ็บปวดเราออกไปอยู่ข้างนอกเหมือนก็มายืนอยู่ข้างข้าง ถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนกวเหมือนกับรถเนี่ยเวลารถมันไฟไหม้หรือมันมีไฟมีกลิ่นมีไฟมีอะไรอยู่ในรถโซเฟอร์จะไปอยู่ในนั้นได้ยังไงโซเฟอร์ออกมายืนอยู่ข้างนอกยืนอยู่ข้างหน้ามันดูมันเป็นยังไงตรวจตาดูมันเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเวลามันเจ็บมันปวด เราก็จะไปอยู่ในร่างกายจะไปแบกมันเกินไปเราออกมายืนอยู่ข้างนอกดูสิกายจะสักว่ากายมันปวดตรงไหนมันทําไมปวดเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการพิจารณาแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายกายก็คือร่างกายเหมือนกับรถส่วนเจ้าของรถก็คือใจใจก็คือควัเขาใจออกมายืนอยู่ข้างนอกดู ที่มันปูร่างกายมันปวดมันปวดยังไงนี่แหละวิธีการอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่ใหลักธรรมวินัยจริงจริงในหลักธรรมจริงในพระไตรจริง ๆ, งๆท่านก็มาได้สอนรายละเอียดถึงขนาดนี้แต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้เราก็ น, นํามาแยกดูสิทดลองดูเนี่ยถ้าเราทดลองได้อย่างนี้นี่แหละต่อไปภายภาคหน้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วว่ามีเวทนาก้าในช่วงที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีในช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้เรียนรู้เลยออกปุ๊บออกมากำหนดเลยดูเลยกายกับใจเลยเราก็ดูใจอย่างเดียวเลยแล้วก็ดูกายเลยมันจะแตกมันจะไปยังไงดูสิแล้วก็ย้อนมาหาใจอีกใจเรามีทุกมีร้อนกับมันไหมร่างกายเนี่ยนี่แหละ อันให้เมื่อเมื่อเราได้เรียนรู้จุดนี้นะแย่กายออกจา ก, กจิตแยกจิตออกจากกายตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยท่านนี่เนี่ยอย่างที่โยงวันนี้ที่เขามาโอ้วันเกือบฉันเกือบตายท่านอาจารย์เน่อยทาไมน้ําลายฟูมปากไปแพ้ยาสมุนไพรตัวหนึ่งมั้งดูดูแล้วมันวิวโอ้คนจะตายเนี่ยเป็นอย่างนี้เองเนาะ กันเลยเขาส่งโรงพยาบาลเกือบไม่ทันนะนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าเราได้ศึกษาถ้าเราได้เรียนรู้ถ้าเราได้ปฏิบัตินะเวลาถึงอย่างนั้นเข้ามาปุ๊บเราก็จะมองดูตัวของเราเลยมองดูใจของเราเลยไม่ต้องพะวักไม่ต้องพะวนอะจะทหนจะทำยังไงมันช่วยตนเองไม่ได้แล้วในจุดนั้นเราก็ต้องมองใจลปล่อยวางที่ใจเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ ทางว่าใจของเรารวมสงบลงในจุดนั้นปล่อยเวทนาใจิตใจของเราเข้าขู่สู่ความสงบเพราะเราภาวนา เ, นเราเคยฝึกมาแล้วใจิตใจของเราเน่งสงบลงไปเมื่อเกิดยานาทัศนะเกิดฌานขึ้นมา น, นั่นแหละพรมลเลยนี่เเป็นหนทางไปคนภาวนานี่ยลือสีสีไพรท่านไม่ได้ว่าไปสวรรค์นะให้ศึกษาในพระตไตรปิฎกสิพวกที่ภาวนาอยู่ในปานรงพงไฟไปพรมทางนั้น ไปเกิดอยู่ชั้นพรมพอเห็นแล้วพบภาวนาดูจิตดูใจเกิดญาณรัศนะปล่อยวางร่างกายไม่ยึดมัน่นถือมันในร่างกายท่านภาวนาจิตจิตใจเป็นหนึง่งจิตใจสงบเกิดญาณรัศนะเกิดฌานโดยมากฤมสีจะไปพรมทั้งนั้นแต่พวกที่ทําบุญทําทานทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นราชามหากษัตริย์ มีโรงทานมีการทําบุญโดยมากจะไปสู่สวรรค์โดยที่เราได้นั่นมีพรมีมพระราชาคนนั้นในทําบุญทําทานมากไปสู่พรมไม่มีมีแต่ไปสู่สวรรค์อาตุมดาวดึงยามาตุสิตาสวรรค์คือเป็นโลกียะส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าเป็นฤาษีสีภัยอยู่ในป่าบําเพ็ญแล้วนั่นจะไปสู่พรม อันนี้เหมือนการนะพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งภาวนาเนี่ยเราฝึกวิชาที่จะไปเป็นพรอมที่จะเข้าสู่ความสงบปีติสุขเกคตานมันเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นแต่ถ้าเราบำเพ็ญตามธรรมดานี่จิตใจของเราไม่เคยภาวนาพอ มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ น, น้อมำรำลึกถึงอันให้สงทานอันให้สงศินอันให้สงภาวนาอันิห้สงการปฏิบัติอันให้ส ง, สงการสงเคราะห์อนุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายการอ่อนน้อมถ่อมตนเราเป็นคนดีเราไม่ได้คิดผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครใคเรามีแต่ทาบุญทําทานมีการเสียสละอย่างนี้พวกนี้ตายขณะที่คิดอย่างนั้นไปสู่สวรรค์ แต่ถ้าว่าเราตายขึ้นมามีอารมณ์โกรธโมโหโกรธ า, าถึงจะมีอันที่สงฆ์ทําบุญทําทานาก็จริงอยู่ทําคุณงามความดีก็จริงอยู่แต่ที่ใจจะขาดท่านที่ใจจะขาดคิดโมโหโกรธให้กับคนนั้นคนนี้ผูกพยาบาทอาฆาตทําไมไม่ดูแลทําไมไม่รักษาเราเราหาเงินทุนมันหวงไว้ทําไมเงินฮะโกรธพยาบาทอาฆาตให้เขานะั่นแหละ ใจขาดในช่วงนั้นนอะไปละนะไม่ตกนรกเข้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ั่ฉานเอออย่างพระเจ้าธรรมโศกราชสร้างทาวนวัตถุไว้จัง8ปดหมี่พันพระธรรมขันในแปดหมื่นสี่พันอย่างไว้ในเมืองพระพุทธเจ้าพระริญพาทั้งสามรอปีเออแล้วก็ลูกชายก็เป็นพระมหินเป็นพระทหา์ลูกสาวก็เป็นสังนาง ภิษุนีซิว่สังคมิตาลูกก็เป็นพระอรหันด้วยแต่ตัวเองก็ททำบุญทำทานอย่างมากมาแต่พอที่จวนจะสวรรคตเนี่ยอยากจะทำบุญอีกพวกคนเคยเคยทำบุญก็สั่งลูกน้องบริวารพวกอามาต์ลาดสเสวกมาเอ้ยเงินในท้องพระคลังของเรายังมีอยู่นะเป็นของเรานะแต่คลังหลวงอีกอย่างนึง แต่ของเรามีอยู่เอาจํานวนที่ของเราเนะี่ยทำบุญให้หมดนะเงินในท้องประครังที่ของเราลูกน้องเขาก็เห็นแล้วอายุพระเจ้าแผ่นดินเะนี่ยคงไม่ยืนเขาก็ทําท่าเฉยหูทวนลมนะ่ะไม่ได้ยินนะก็เรียกมาอีกมาอีกเขาก็หูทวนลมอีกเฉยอีกแต่นี้พระราชาก็โมโหควันออกหูเลยท่นี่เพราะว่า เ, เงินคับทรัพย์สมบัติของตนแท้ๆเนะ่ยพวกนี้ไม่ปฏิบัติตาม ไม่ใช่เงินค้างหลวงเป็นเงินส่วนพระ อ, องค์ฮรก็โมโหขึ้นมาอย่างมากเลยนี่จะคงจะช็อกหรืออะไรก็ไม่รู้แหะเลยสวรรคตในช่วงนั้นอพอสวรรคตเสร็จแล้วนี่ยตายหรือมรณะนะภาพหรือสวรรคตในขณะที่อารมณ์โกรธนะไปเกิดเป็นงูใหญ่แฮ่ออยู่ในกลางโรงปลาดงค น, น เ, เป็นงูเกิดขึ้นมาเป็นงูงูใหญ่พวกงนะูพวกที่กา อารมณ์ที่โกรธตายไปแล้วเดไปเกิดเป็นงูนะเป็นเสือบ้างเป็นหมีบ้างเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเน่ยเป็นต่อเป็นแตนน่ยคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นกำบังนะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายสรุปแล้วคือตายด้วยความโกรธเนี่ยจากนั้นท่านก็ไปเป็นงูเป็นงูก็หากินกบกินเขียดตามภาษามันหิวเลยมันหิวก็ต้องกินอาหารบาอย่างที่มันกินได้มันจะไปหาไฟเทียนมั่บหุงมาต้มล่ะ แต่ทั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าเพนดินมีอเนให้สง่ากถึงขนาดนั้นแหละแต่พอตายเข้าไปเลยจะไปเกิดเป็นงูฮะจากนั้นพ่อไม่หินท่านก็ดูทิท่านมีญาณทัศนะเป็นพระรหารด้วยท่านก็ดูเอ๊พ่อของเราเป็นไหนไหนนะขึ้นไปดูสวรรค์ชั้นไหนก็แล้วไปดูที่ไหนก็แล้วไปดูนรกก็แล้วเข้าชาณูตายพ่อไปเกิดเป็นงูฮะจากนั้นท่านก็ ไปเทศให้พ่อฟังไปก็ไปยืนบนอากาศไปเห็นพ่อกําลังหากินอยู่เป็นงูใหญ่พ่อไตอตก ร, รู้ไหมพ่อเป็นเนี่นพยพญาธรรมโศกทําไมพ่อมาเกิดอย่างนี้พ่อพ่อตายเพราะความโกรธความโกรธไม่ดีนะพ่อนะอย่าใช้ความโกรธนี่แหละเกิดโกรธมามาเกดิดเป็นสวยวิบากกรรมอย่างนี้แหละในขณะที่โกรธไม่ดี เพราะนั้นพ่อตั้งแต่วันนี้นะเป็นปีนี้เป็นต้นไปพ่ออย่าไปกินสัตว์ที่มีชีวิตนะสัตว์ที่มีชีวิตจะเป็นสัตว์กบเขียดอะไรก็ตามถ้ามีชีวิตอย่ากินเขาให้รักษาศีลห้านะพ่อนะนะจากนั้นก็พอพูดพ่อก็ฟังพอภาษาใจสอนใจเฮ่อเอาใจสอนใจงูก็ฟังฟังก็เข้าใจเข้าใจกับ ไม่กินอาหารที่เป็นที่สัตว์ที่มีชีวิตอะไรตัวพยายามจะกินอาหารพวกกบที่เกลียดที่มันตายแล้วน่ะเอมันจะหาได้ที่ไหนอเอผลในสุดงูตัวนั้นก็เลยผอมลงพผอมลงก็เลยตายตายเขานี่ตายอสํานึกบุญกุศลเําเลิกถึงบุญกุศลที่ลูกชายได้สอนเอาไว้พอเห็นลูกชายก็นั่นแหละสํานึกได้พอจากตายจากนั้นจะเคลืนไปสู่สวรรค์อ แต่ตำบางตำราก็ว่าท่านลงมาเกิดท่านได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์นะแต่บางตำราก็ว่ายังยังอยู่อันนี้ก็เราก็ฟั ง, ฟ, งฟังเอาไว้ว่านี่อันนี้ ค, คือความเป็นมาของความโกรธที่อุปมาอุปมาใ ห, ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่คือความโกรธกระความโกรธมันไม่ดีแต่ถึงยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านตรัสไปเลยเลยว่า ไม่มีอันไหนที่น่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐิฮะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยยิ่งกว่าความโกรธความโลภความอย่างอื่นอีกมิจฉาทิฐิคือความหลงฮะความหลงความมัวเมามิจฉาทิฏฐิคือความมืดบอดไม่เชื่อเพาะบาปุญบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีตายแล้วศูนย์ทําความดีก็ทําไปอย่างนั้นทำความชั่วก็ทำไปอย่างนั้นความดีความชั่วไม่มีผล ออย่างนั้นแหละเหมือนกับตาบอดเตะขมมีดก็ไม่เป็นไรลักษณะอย่างแต่พอเตะเข้าไปมันขมมีดมันไม่ได้เลือกกว่าตาบอดนะเอ่มันก็ชัดเลยลแหละเตะแรงทอะไรก็ยิ่งเข้าลึกไงตาบอดมันจะเดินไปไม่มีเหวมีบอหรอกอแต่พอต่อไปตาบอดก็ไปตกเหวตกบอเหวบอกก็ไม่หลีกตาบอดเหมือนกันฮอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราทำความชั่วกรรมของความชั่วนะั้นไม่หลีกเราเหมือนกันเมื่อตายไปแล้วนะี่มียังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนรกสวรรค์มีจริงคอยรับเราอยู่ไม่มีเต็มก็แล้วกันคนทำชั่วนรกก็ไม่เต็มเหมือนกับจัตติธิาชานเห็นไหมไปเกิดเป็นประเภทไหนโลกนี่ไม่เต็มไปเต็มด้วยสัตต์ธิาชานแต่บางเกิดบางยุคบางสมัย ه, ก้อยสัตว์เทระจันก็ยอมแพ้มนุษย์อีกเหมือนกันในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเกิดเป็นเก้งเป็นกวางเป็นสัตว์มนุษย์ก็จับเป็นอาหารพวกผูพวกปลาในทะเลอย่างนี้ถ้ามนุษย์มากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่มันก็ไม่เต็มโลกน้ําทะเลยังมีเท่าไหร่แต่มันมีแต่ล้อยล้อน้อยลงไปท่านเองนี่แหละความชั่ว ทำทำลงไปแล้วนรกก็ไม่เต็มสัตที่ระชานก็ไม่เต็มเปรตก็ไม่เต็มสวรรค์ก็เหมือนกันถ้าเขาเราจ้างคุณงามความดีสวรรค์ก็ไม่เต็มแต่ละชั้นมีมากมายมนุษยเ์เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่เต็มอีกแต่มันก็มากมากถึงขนาดไหนก็ถเถอะบางคนกับวิตกกังวลเหมือนกับใส่เดือน เ, อเกิดมามากๆ กินดินกลัวดินจะหมดก็เลยไม่กินดินฮะอันนี้ก็เหมือนกันมนุษย์เกิดมาแล้วกลัวมันจะเต็มโลกล้นโลกฮะผลในสุดก็จะฆ่ากันทิ้งอันนี้มนุษย์โง่แต่ตามไม่จริงธรรมชาติมันมีอยู่แล้วพอเกิดมาหลายๆคนเห็นไหมสมัยก่อนเกิดมาตั้งแต่โรมโบราณการอยูก่การกินเขาก็อดอ ด, อดจากๆเพราะเหตุไรเพราะมันไ ม, ไม่มีหัวไม่ใช้หัววิย์ไม่มีวิธีการกระทํา ถ้าเกิดขึ้นมาหลายคู่หลายคนใช้สติใช้ปัญญาใช้พิธีการพลิกพลิกแพงอันนี้ผสมมานั้นอันนั้นผสมวานี้เอาไปมาเป็นอาหารเลี้ยงคู่เลี้ยงคนได้คนที่ทําอาหารกัทําอาหารพวกที่ทำอันนั้นก็ทําต่างคนต่างทํามันเขาเป็นไปได้นี่อันนี้คือโลกของเราทุกวันที่เกิดมาในโลกเนี่ยสรุปแล้วก็คือต้นต่อทว่าอย่าทําความชั่วมาบุญคุณโทษมีจริง นรกสวรรค์มีจริงถ้าหาว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากพระพุทธเจา้าไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจุดนี้แหละมันเหยียบลวกไปอีกแบบหนึ่งท่านว่าพวกนี้ตายไปแล้วไปเกิดโลกันตะนรกโลกันตะนรก ไม่ใช่เอเวจีนะทางเทวทำความชั่วเสียหายอย่างพระเทวทัศน์เยว่าตกในเอเวจีมหานรกมีไฟไหม้จากนั้นก็พ้นออกจากเอเวจีแต่โลกันตานรกเนี่ยพอไปเข้าไปแล้วไม่มีลไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แล้วว่าจะพ้นคือมาเมื่ อ, อไรไม่มีกำหนดอยู่ในที่ ม, มืดมิด อยู่ในที่คุมขังอันมืดมิดเพราะมันมืดมิดปิดตาเด็ดยกว่ามมิจฉาทิฐิคําเลยหลวงพ่อเลยเปรียบเทพว่าพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าไปเกิดเหมือนกับไปเกิดนรกกระป๋องหลวงพ่อว่านะกระป๋องบัตรกรีข้างบนเหมือนกับปลากระป๋บบองอยู่ข้างในวิญญาณเพ้าไปอยู่นะบัตรกรีไม่รู้เดือ น, เ ด, อนเดือนดาวไม่รู้อะไรอยู่ในนั้นะ พอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัดรู้ขึ้นมาแสงสว่างก็ส่องลงไปครั้งหนึ่งแสงว่าบลงไปพวกสัตว์นรกทางที่จะเมตตาปราณีต่อกันเห็นกันแล้วกัดกันอีกนะทะเลาะกันอีกเพราะมันมันอยู่ในมันความชั่วมันปิดบังเอาไว้อยู่แล้วมันวิจาริฐิอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพริรีนิพานเอาแสงสว่าง ลงไปอีกนั่นแหละนานเท่าไหร่จึงจะมีพราะพระพุทธเจ้าจะมาไม่ใช่เกิดมาทุกวันะอันนี้ท่านเปรียบเทียบให้ฟังเพราะนั้นว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจุดนี้เนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าอย่างอื่นที่สุดคือความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิ ด, ด, เ, หผดเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูญ จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราต้องศึกษาต้องต้องศึกษาแล้วต้องเรียนรู้จากนั้นก็ปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่รู้มีนื้ในวิชาในโลกมีตั้งเยอะแยะเราจะเป็นตาบอดจูด่ในโลกได้ยังไงแสงสว่างไม่มีพระทิศพระจันทร์ไม่มีไม่มีแล้วคนตาบอดจะไปเห็นได้ยังไงตาคนตาดีมันก็ต้องรู้อันไหนเป็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไร เพ้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายนะเปิดตาเปิดหูเปิดใจศึกษาศึกษาให้ถี่ถ้วนศึกษาเรืหลักเหตุผลศึกษาเรืำำ่ักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศีลทานมีหน้าที่อย่างไงศีลสํารวมกายวาจาอย่างไงสมาธิดูจิตใจอย่างไง มีมีล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางทั้งนั้นถ้าพวกเราศึกษานะถ้าไม่ศึกษาก็ยังว่าตีรวบลัดเหมือนกับตาบอดพูดมั่วไปหมดอนะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ใช่ตาบอดนะถูกพวกเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทักหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางของพวกเราได้ศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นให้ลูกหลานศึกษานะ ศึกษาในธทมคําสอนจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วครับความสงบพร้มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดอยู่กับใครวางตัวให้ถูกเมื่อวางตั ว, ตวถูกแล้วนะความสงบร้มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลาย ใช่ว่าพวกเร า, เามีแต่คดมีแต่โกงมีแต่ทาความชั่วเสียหายที่มันจะเจริญรุ่งเรืองมองดูสิมันมีไหมโดยมากมันได้มา ก, กบแบบร้อนร้อนนั่นแบบหาความสุขไม่ได้เราไม่ทำทำแบบเจนเจนไม่ได้เหร อ, อาทาให้ดีๆเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมสิ่งไหนที่เป็นธรรมสิ่งไหนที่เป็น ความถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเราก็มันขยันทำตามเรื่องนั้นชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะมีแต่ความผาสุขเอาวันนี้ให้เปิดเอ็มีาฟังสักกันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะ